เอาออกทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเทวาจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็สุงอะมาฟังเคสตัตตีกันเลยลูกเป็นนักเรียนฝันใ น, นฝันวิทยาลูกพระราชอยู่ที่เยอรมันได้21ปีได้มาสร้างบุญกับพระธรรมกายเมื่อปี39 ได้มีเพื่อนมาชักชวนให้สร้างพระธรรมกายไปจำตัวชีวิตจึงเปลี่ยนไปในเส้นทางสีขาวก็นึ่ลูกต้องกราบขอบลูกคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งที่ได้เมตตาเปิดโรงเรียนฝันในฝันวิทยาทำให้ลูกที่อยู่ต่างแดนได้มีโอกาสเป็นนักเรียนที่มีคุณครูไม่ใหญ่ใจดีเมตตาอบรมสั่งสอนเรื่องราวง่ายๆง่ายๆสบายสบายฟังได้ทุกระดับ แต่เป็นคุณค่ามหาศาลต่อชีวิตมนุษย์ที่ตกอยู่ในอันตรายปลุกพู้ิหลับไหลลุ่มหลงอยู่ในอาจมให้ตื่นขึ้ น, นอย่างมีสติรู้สึกตัวมาทำความดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองลูกเกิดได้เข้าครัวชาวนาที่ยากจนจังหวัดสุรินมีพี่น้องหกคนลูกเป็นคนโตต้องช่วยเลี้ยงน้องอย่างลบาบากเพราะโตขึ้นก็ได้มาทางานที่กรุงเทพน า, นานครั้งจึงจะได้กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ กมาเยี่ยมบ้านครั้งใดแม่ก็จะดีใจมากสั่งให้ข้าหมูมาทำกับแกล้ม oh. แล้วก็ซื้อสุรามาเลี้ยงนี oh. ่คือความเข้าใจของคุณแม่ oh. ตัวเรียกญาติพี่น้องมาร่วมวงกันอย่างสนุกสนานปกติแม่ก็ชอบข้าไก่ปลาเป็นอาจิน oh. ระยะหลังดื่มสุราจนติดงอมแงม oh. เห็นไหม oh. สุราเนี่ยมันมีฤทธิ์นะ อย่าไปลองกันนะลูกนะลูกจังงานครั้งแรกกับผู้ชายไทยมีฐานะยากจนหาเช้ากินขํามแรกๆ ก, ก็ดีแต่พอมีลูกสาวหนึ่งคนก็เริ่มติดสุราเมามาก็จะมีปากเสียงทำร้ายทุบตีเตะต่อยลูกเป็นประจำลูกไมไหวจึงพาลูกสาวสีเดือนไปฝากไว้กับพ่อแม่แล้วก็หนีไปอยู่จังหวัดอื่นนี่สุลานี่มีโทษไ ม, มีโทษเห็นจ๊ะเนี่ยสุรามหาโทษ ทำให้ครอบครัวนั้นมาได้อยู่ด้วยกันเลยเนีย่ยจะได้แต่งงานใหม่ครั้งที่สองกับชายไทยเจอ ก, กันได้สองสาปีสา ม, สามีก็เริ่มติดสุราอีกแล้ว<อ>และเล่นการบรรทันขบบอลเล่นไพ่ไฮโลแทบทุกวัน<อ>ชีวิตลําบากยากจนมากๆแทบจะไม่มีเงินซื้ออาหาร<อ>ต้องอดอยากยากแค่เหลือทนลูกจึงด้านโดนไปทํางานต่างจังหวัดระเหตเล่ร่อนไปเรื่อยๆช่วงนี้เพื่อนก็ชวนไปเล่นของที่มีอาคมสักและฝังของ เช่นเสกเสือโครงใส่ตัวเพื่อให้มีอำนาจโอ oh. ประโตเอ๋ oh. สเสือโครงนะ่ะมันยังอยู่ในภูมิที่ตามกองมนุษย์นะลูกนะ oh. อย่าไปเล่นมันนะเสือโครงเห็นมีบางคนไปเรียนวิชาเนี้ oh. ลองโหโหโหหมันต้องเสกตัวแล้วให้เป็นพระอรต้องจากระดับ oh. มนุษย์ต้องสูงขึ้นไปไ oh. ม่ใช่จัมนุษย์ล่วงลงมาเป็นเสืออย่างนี้ เพิ่งคืนมายกๆกับแม่ทำเป็นลืมจากมนุษย์ต้องเป็นเทวดาเป็นพระไปเลยอย่างนั้นละได้เล่นเสกแล้วมาเป็นเสือย่างนี้อย่านะจ๊ะอย่าทีเดียวเลย <c oughs> ปีสองห้โลกก็แต่งงานใหม่ครั้งที่สกับชาวเยอรมันและย้ายไปอยู่เยอรมันสามีเป็นคนมีฐานะดีมากในตอนนี้บุญกำลังส่ง จะให้เงินเดือนค้างเรามากๆลูกทำงานร้านตัดเย็บเสื้อผ้าจึงรู้จักคนไทยเยอะพอถึงวันหยุดก็รวมตัวกันจัดเลี้ยงมีทั้งสุราเมลายเบียร์และวายบุหรี่หลากหลายเนี่ยเห็นไหมใช้บุญไม่เป็นทั้งสูบทั้งดื่มพลันไปเลยเจา้าค่ะระยะนั้นดื่มเล่าเป็นอาจินสูบุหรีวันละประมาณ30บถึง40่มวนและก็เพื่อนเพื่อนชวนไปดูหมอดู พอลูกไปถึงปรากฏว่าเป็นคนทรงเจ้าเอาอีกแล้ว<อ>เขาให้ลูกเป็นลูกศิษย์ช่วงนั้นติดคนทรงเจ้าเสียเงินเสียทองมากมาจนครอบกลัวล่มสลาย<อ>แยกทางกับสามีคนที่สาม<อ>กว่าจะหลุดพ้นจากความงงงายต้องใช้เวลาหลายปีโโหเห็นไหมถ้าไปยุ่งกับพวกนี้มีแต่เสียเงินอย่างเดียวเลยเงินตาเวลาอารมณ์เสียหมดลูกย้ายไปอยู่ที่เมืองโอเบรไรเดียนบักซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน และแต่งงานเป็นครั้งที่สี่กับมิสเตอร์อารมินวันเนมัเชอร์มีลูกชายลกันหนึ่งคนแต่พอลูกชายยุดได้หนึ่งขวบสามีก็รับเซ็งร้านขายโซลาเบียไวนและบุหรี่ทุกยี่ห้ อ, อสแสดงก็คงคิดไม่ออกเลย อ, อะไรเป็นสัมมาทิวะิเน<อ>ี่ยแล้วสามีก็เริ่มดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นประจำเบอร์หน 1, ึ่งก็ขี้เมาเบอร์สองขี้เมาเบอร์สามขี้เมา เบอร์ 4, สีก็ ข, ขี้เมาจนเมื่อปี3ามกมีเพื่อนมาบอกบุญสร้างพระธรรมกายประจาตัวตอนนั้นลูกยังไม่รู้จักว่าพระธรรมกายแต่เกิดศรัทธาจึงฝากเงินเพื่อนไปสร้างพระประจําตัว9้าองค์<า>แต่เมื่อเพื่อนไปถึงเมืองไทยก็ไม่ได้เอาไปสร้างให้ลูกจึงไม่ยอมจึงเดินทางกลับเมืองไทยและขอมาทําบุญที่พระธรรมกายด้วยตัวเองอครั้งนั้นลูกได้นอนทุ่ดงในกรดหนึ่งคืนประทับใจมาก แต่เมื่อมาจึงขอหักดิบความชั่วทุกชนิด oh. เลิกสุราเมลัยบุหรี่ไม่แต่ต้องอีกเลยและเริ่มหัดถือศีลแปดบางวันสาธุ <S S <ato>. <S แต่ลูกก็ยังขายสุราเพราคิดว่าเป็นการทำมาหากินที่จะทําให้มีรายได้ไม่ได้คิดว่าเป็นการทําลายผู้อื่นเขาคิดว่ารายได้คือมองไกลๆเหมือนกันเลยนะที่ขายสุราคิดเหมือนกันเลยนะ <laughs> แต่ช่วงนี้ร้านขายสุราเริ่มมีปัญหาขาดทุน และในปีสี่สามลูกขับรถเจอรี่ไปเปิดร้านขายสุราโดยความเร็วสูงพอถึงโค้งรถพลิกคว่ำสามตลบรถเสียหายไม่มีชิ้นดีแต่เดชบุญลูกบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยช่วงนั้นก็ได้มีโอกาสนิมนต์หลวงพี่มาหาสมุนมาปโปรดที่บ้าน <Okay. S 1> และชวนมันเพื่อนมหาวิาัยพระทหารเป็นสังฆทานกันท่านขอยหเลิกขายสุราให้ให้หางานอื่นทําโดยชีย้ให้เห็นโทษของสุราและความเดือดร้อนของผู้อื่นที่ได้รับจากเรามากมาย ลูกจึงตัดสินใจเลิกกิจการที่ทํามา8ปีทันทีสาธุต่อมาปี4ีหลูกขับรถกลับจากการช้อปปิง้งขณะที่หยุดรถรอรถตัดหญ่าผ่านไปก่อนมีรถคันหลังขับมาด้วยความเร็วสูงชนท้ายอย่างแรงรถ<อ>ฟังเสียหายยับเยินซ่อมไม่ได้แล้วตัวลูกเองก็มีปัญหาปวดหลังมากแพทย์สั่งพักไม่ให้ทํางานเกือบหนึ่งปีจนที่ทํางานต้องให้ออกจากงาน<อ>ขณะนี้สามีของปัจจุบันก็เป็นโรคเบาหวานและพิษสุราเรื้อรัง เป็นที่รังเกียจของสังคมเพราะไอเลื้อรังทั้งที่ประเทศสุบขทัยเสริสลูกชายอายุสิขวบลูกพยายามชวนไปทำบุญบูชาข้าพระที่วัดพุทธอัลสบวกในวันอาทิตย์ต้นเดือนเดินทางโดยรถไฟประมาณเจชั่วโมงโอ้โหลูกผัวพันกับลูกชายคนนี้มากเป็นห่วงและใหญ่เขาได้บวชสืบทอดอายุผูธศาสนาเจ้าค่ะตัวลูกเองพยายามทำบุญทุกบุญหากมีโอกาสกลับเมืองไทยก็จะไปร่วมบุญที่วัดพระธรรมกาย สร้างพระธรรมการเปําตัวให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งของลูกและของสามีขนปัจจุบันประมาณ30มสิบองค์ดได้รวบรวมฉลญชลมหาธรรมกายจีดีได้เป็นประธากนกระถิ่งปี 4, สีหสร้างวัดธรรมกรายถวายพระสังฆาธิการถวายสังฆทรานสา0 0ัวัดหลอดทองหลวงปู่และทุกๆบุญเจ้าค่ะโลกเขากลับเรียนถามช่วยฝันในฝันให้ลูกโดยเจ้าค่ะคุณแม่ของลกูกเสียชีวิตเมื่อปี3ามอายุ53ปีด้วยอปุปัติเหตุ ลื่นหกล้มศรรีษะฟาดพือนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนก็เสียชีวิตบุญที่ลูกส ร, ร้างพระประจำตัวจา่าเลือกชี้คุณแม่และบุญทุกๆบุญที่ลูกอุทิศไปให้ท่านจะได้รับบุญนี้หรือไม่ขณะนี้อยู่ในภพภูมิใดสุขทุกอย่างไรลูกทํากรรมหนักหนาอะไรมาคะถึงได้มีวิบากกรรมมีสามีทั้ง4ี่คนล้นแต่ขี้เล่าชีวิตวนเวียนอยู่กับเรื่องสุราเมรัยตลอดลูกจะต้องทําอย่างไรบ้างจึงจะพ้นวิบากกรรม พบแต่สิ่งที่ดีๆต่อชีวิตบ้างเจ้าคะสามีคนนี้ด้วยกันบันได จ, จริงไปโรคไอเรือหลังทั้งๆ ท, ท, ที่มณฑลสุพรบุรีลูกชายอายุสิบสองขวบลูกพยายามชวนไปบูชาข้าวพระที่วัดพุทธอัลสบวกลูกเป็นห่วงและใหญ่เขาได้บวชสืบทอดพุทธศาสนาเจ้าคะ่ะเขาจะได้บวชไหมคะคุณแม่เสียชีวิตเมื่ออายุได้ห้ปี ดูตรงนี้เลยเจ้าว่ากรรมปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากไม่ว่าดีหรือชั่วจริงๆแล้วนะ่ะอายุของท่านควรจะอยู่ได้ถึง72บอปีแต่ท่านมีกรรมปัจจุบันเอาไว้เยอะจึงทำให้ท่านอายุสั้นลงด้วยกรรมสุรากับฆ่าสัตว์เป็นต้น แม่ตอนก็ไล่ตายก็ยังไม่สั่งเมาค oh. ตินิมิตจึงดำมืดดิงลงไปในมาหาเนรกคุมห้าทันที oh. บริเวณโซนที่แม่อยู่สัตว์นรกจะมีรูปร่างแปลกๆใ oh. นคุมห้านะ oh. ซึ่งยังไม่ได้เอามาให้ดูกันนะ oh. เพราะมันเยอะแล้อเน oh. เราจะต้องไปเรื่องอื่นอีกเยอะแยะ oh. เลยเว้นๆไป มีซาดิลกรูปร่างแปลกคือตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์ตัวใหญ่มากปานภูเขาผอมดำแม่ก็มีลักษณะดังนี้คือตัวเป็นคนหัวเป็นปลาแล้วถูก น, นยายนริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงจนใกล้จะเต็มกรอกเข้าไปในปากปลานะถน่เทงหัวเป็นปลานะ่ กรอกน้ำปลดพอดื่มสุราเนะี่ยจนเกือบจะเต็มแล้วเนะี่ยพอเกือบจะเต็มก็จะถูกสับคอชกลงไปเล ย, ยทิ้งส่วนตัวก็ละลายด้วยน้ํากรดสีดำํำ<อ>แหลกแล้วแป๋วไปเลยแ ล, แล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ตอนนี้ตัวเป็นคนหัวเป็นไก่เป็นหมูเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสัตว์ต<อ>่างๆที่ตัวเอง เคยสั่งฆ่าหรือฆ่าเองอทุกทรมานมากและก็ถูกกรอกถูกสับตลอดเวลายังรับบุญที่ลูกอที่ไปให้นะยังไม่ได้จ้า<อ>คือฆ่าอะไรกันแล้วแต่เนี่ยหัวจะเป็นสัตว์ชนิดนั้นแต่ตัวจะเป็นคนผอมดำสูงใหญ่ปานภูเขาและถูกกรอกด้วยน้ำกรดสีดำจากนายนิรยาบาล<อ>พอเกือบเต็มก็ ถูกตัดคอชับรบ่างกายก็ละลายพอฟืน้นนมาใหม่ก็ปเปลี่ยนหัวแต่ตัวเดิมนั้นก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยส่วนตัวลูกเองเนี่ยที่ได้สามีขี้เม า, มาตลอดเพราะมีกรรมหลายอย่างผสมกันชาติในอดีตเป็นผู้ชายขี้เมา แล้วก็ชอบทุบเตะต่อยซ้อมภรรยาเสมอแล้วก็มีนิสัยชอบเจชูอีกด้วยก็เลยทำให้มีวิบากกรรมไปเป็นผู้หญิงบางชาติเกิดเป็นผู้หญิงก็สนับสนุนสามีให้ดื่มเหล้าคล้ายกับบางช่วงชีวิตในชาตินี้นี่แหละเมือ่อเป็นผู้หญิงก็มีสามีขี้เมาแถมโดนซ้อมเหมือนที่เคยซ้อมภรรยาในอดีตชาติ คือตัวเมามาก่อนมีภรรยารแล้วก็เจ้าชู้ด้วยเจ้าชู้ก็มาเป็นผู้หญิงหลังจากไปตกมาหาโลกแล้วนะขึ้นมาแล้วก็มีสามีก็จะขี้เมาจะมีสิ่งแวดล้อมที่เมาตลอดอเกิดตระกูลไหนก็จะเมาเมาอย่างนี้ชาตินี้นิสัยเก่ายัางตามมาจึงส่งผลให้เป็นขี้เมาตัวเองนะขี้เมาด้วย<อ>ในช่วงแร ก, แรก ผ่านการ ร, รับกรรมแล้วมาเยอะที่เจอในปัจจุบันนะ เ, น, เนี่ยแค่เป็นเศษกรรมเท่านั้นนะลูกนะ<อ>ที่เจอในเศษไอ้สวนใช้มาแล้วชาติไดดีก็เคยสร้างบารมีมากับหมู่คณนะตรงนี้อยากให้สนใจสักนิดนึง<อ>คือลูกคนนี้เคยสร้างบารมีร่วมกันกับหมู่คณนะ<อ>แต่ประมาภ้าพลังไปทำบาปกุศลลยพัดพลาดจากกัน<อ>คือชาตินั้นมีนิสัยที่มักโกรธ ใจร้อนแล้วขีหงุดหงิดจะได้ไปทะเลาะกับเพื่อนก็ เ, นกเล ย, ยนิยมิตรที่เข้าวัดด้วยกันน<อ>ั<ๆ>่นแหละไม่พอใจเพื่อนคนนั้นเลยไปยอมเข้าวัดโดยมีความคิดว่าเอ๊ะคนเข้าวัดทําไมเป็นอย่างนี้เนะี<อ>่ยตอนออกจากวัดเนยึกว่าคนเข้าวัดจะดีเหมือนกัน<อ>ดีเหมือนอย่างที่ตัวคิดว่าจะดีอะไรเงี้ยเลยจากไปเพราะงุดหงิดที่ว่าเพื่อนที่เข้าวัดมาเนี่ย ไม่ดีอย่างที่ตัวคิดคพอออกไปแล้วก็เลยภาพพลังไปเจอเพื่อนไอ้ที่ไม่ได้เป็นบัณฑิตก็ไปชวนกันดดิมเหล้าเครานารีเป็นต้นจากจุดนั้นมาก็เลยเป็นสาเหตุให้พลัดกันถึงสามกับสมกับนานนะลูกนะนานนี่พลัดกันมานานแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นชาตินี้เนี่ยก็จะให้พลาดพราดกันอีกนะลูกนะต้องสร้างบุญทุกๆบุญและชั่วไม่ทาทําแต่บุญทุกบุญและอธิษฐานจิตให้ได้ไปเจอกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะต้อ ง, ง, นะงทำอย่างนี้นะลูกนะต้องทําอย่างนี้เราก็จะได้ไม่พลาดกันอีกเนี่ยพลาดกันเยอะชาตินี้ก็จะพยายามตามมาขึ้นกระบวนลถ ด, ด่วนกัน จะเอาไปวงบุญพิเศษก็ไม่รู้ว่าจะสมัครใจไปกันไหมสมัครใจครับก็พยายามจะรวบรวมไปชวนกันไปเนี่ยหอเขาสร้างบุญทุกๆบุญหวังจะให้ไปอยู่วงนั้นเ้วจะได้ไม่พลาดกันอีกตกลงสมัครใจหรือไม่สมัครใจครับ ต้องยืนยันสมากใจครับสมากใจครับเอออนโมทนาสาธุการา อ, อนุมัติและก็อนุโมทน า, าทว่าเราจะไม่ พ, พลาดพลากจากกันเพราะกา ร, รดื่มโซลาในปัจจุบันจ้าจึงทำให้พอบานไอเรือรังแล้วก็ทิร้านเล่าก็มีควันบุหรี่เต็ไมไหมดไม่สูบก็เหมือนสูบอลไรจ้าอ๋อ มันก็ติดๆกันไปนั่นแหละส่วนลูกชายที่ต้องการให้มาเป็นอายุพุทธศาสนาเป็นเนื้อใ น, นบุญก็ต้องคอยๆประคองลูกคนนี้ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่าให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีดีนะลุงนะรวมทั้งตัวคุณแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้ลูกด้วยดูให้ดีให้ลูกอยู่ในวงบุญให้ต่อนเนื่องกันไปเลยแล้วก็คุณแม่ก็ทาบุญทุกบุญอธิษฐานจิตให้ดี ให้ลูกชายคนนี้เนี่ยมาบวชในบวรพระพุทธศาสนากับนะจ๊ะ